พอไปก็รู้สึกสบายๆละเอียดพอไปทานเครื่องดื่มบางอย่างเป็นน้ำชาน้ำอะไรที่ลดน้ำผลไม้ก็ลดกลางๆก็รู้สึกปันกลางไม่มีอมิดพอไปทานอาหารเข้มพวกน้ำพริกพวกรสจัดรสหยากขึ้นทุกครั้งสามีสัง้งทุกครั้งเวทนางเวทียะมานเมื่อเสวยความรู้สึกไม่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 ในกิจกรรมเมื่อเมื่อก่อกิจกรรมหยาบเช่นเราต้องไปเร็วเดินเร็วเดินดังพูดดังรีบเร่งหยาบพอลถลงมาหน่อยก็เสียงลดลงเบาลงการลุกการนั่งก็ได้ยินเสียงบางก็แค่แก้ก็ไม่ค่อยรบกวนอะไรพอละเอียดขึ้นจะลุกจะนั่งไม่ได้ยินเสียงเลยเงียบเลยจะเปิดประตูอะไรต่างจะทานข้าวทานอาหารก็เงียบ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 ทีนี้วิธีการของพุทธยนท่านก็จะไม่ต่างจากหลักสูตรนั่นแหละแต่ว่าฉ่านใช้ภาษาของท่านนะอย่างที่เราดูในโปรเจคเตอร์ว่ า, ารูปนามเราใช้ท่า4ีขันหภาษาภาษาตำรายใช่ไหมห้าสีขันาเดียพุเธียนว่ า, ารูปนามทีนี้พอ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 ความคิดแล้วนะมันก็ไปสร้างเรื่องราวต่างๆไว้ได้เพราะมันมีความคิดถึงสร้างเรื่องได้อันนี้คือความวิเศษของพลวงพเทียนคือหมายเขาว่าย่อยภาษาที่ยากๆให้เป็นภาษาที่สัมผัสได้เลยคือความคิดความคิดที่เป็นไปโดยสัญชตาตญาณเหมนือนหนูใช่ไหมความรู้สึกตัวที่เป็นไปโดยสัญชตาตญาณ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 เขาเรียกมือที่สตัวนี้สําคัญไปเห็นโยมนั่งข้างหลังโยมยกมื อ, ยก ม, อยกมือไม่สวยเลยไวยเกินไปไม่เป็นจังหวะเลยใช่ไม่ได้ปฏิบัติมาตั้งหลายวันเรามีอาจารย์แล้วใช่ไหมตัวนี้เรียกว่าสังขารหรือความคิดปรุงแต่งทึ้งทิ่งทิงที่เราคิดอาจจะจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้แต่มันคาดคะนไปตามความความความคิดของตัวเองอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้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 ไม่ได้สำคัญมันหมายคนนั้นดีไม่ดีสวยไม่สวยหลอไม่หลอใช้ได้ไม่ใช้ได้ก็รู้เฉยๆก็ผ่านไปเี่อกีมาขะ น, นั่งดูตอนมันยังไม่สว่าง่ะเนะากะกระจกมันก็กระท้อนเห็นคนยกมืออยู่แต่อีกอันนึงแวบบแวบบเอ๊ะทาไมคนยกมือไวย่างคนใครยกมือไว่างก็ทางตา ด, ดูชัดๆหลายรอบอันไม่ใช่คนยกมือไวนี่นะ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 ยี่สิบชิ้นสามี่ชิ้นแล้วกกก็มาตั้งเรียงเรียงเียกันแล้วก็ก็ไปหาเทียนมาจุดมาตั้งหนึ่งเล่มเม่อแกทาไอ้ที่มันที่ตั้งอม อ, อ้อมโค้ ง, งเอาหนังเสือแล้วมาวางเป็นรูปโค้งแต่ก็อุตส่าห์เอานี่เขาเขาเาละเอียดมากเลยนะฝรั่งนะแล้วก็จกเป็นชิ้นเนชิ้นมาวางวางมางวางอ้อมมาเป็นวงกลมเสร็จแล้วก็จุดเทียนขึ้นตรงนี้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 มันก็เลยได้ความคิดโ อ, อย้ยางนี้อุปท า, านอาวิชาตันหาประทานมาแยากเป็นตัวจิตต่างๆอะไรนะตามหลักอริธรรมอะเจตสิบสองจิตแปดสดวงรวมร้อยเกลียนจิตร้ออะไรดวงกันนะที่เราเรียนอริธรรมก่นใช่ไหมอันนี้คือมิติของจิตแต่จิตจริงๆ ก, ก็คือดวงเดียวและขนาดเดียว t h i s s u b j e c t very classic maybe you understand it or not trans Sanset <ct> i>, I say, unfortunately. So you need learn time more <laughs> ฉันเส o ยบทไอเ o อัน e ่ t เส i m ดายดังนั้นเราจะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องคืออย่าไปเชื่อความคิดอหะหลวงพ네่อเนอย่าไปเชื่อมันอย่าเข้าไปในความคิดหลวงพ่อเ่ใช้ตัดบทมาง่ายๆเลยเวลาความคิดมาดูก่อนอย่าพึ่งเข้าไปในมันอย่าพึ่งเชื่อมัน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 มันอยู่ภายใต้กฎของอะไรใจรักใช่ไหมเมื่อมันทำงานมันก็จะต้องมีผลออกมาเป็นสบายไม่สบายถ้าลูปทำงานแล้วนั่งเนี่ยก็เป็นทางานแล้วอะไกายกรรมใชม่การนั่งก็เป็นกายกรรมผลออกมาเป็นอะไรสบายไม่สบายแต่การเกี่ยวข้องผลที่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 บ่อยมากมองตากันไม่สุขสฉตาเ็เกิดน้าโลกแล้วใครมาพูดเสียงผิดหูหน่อยไมเกิดน้าโลกแล้วเกิดบ่อยมากในเมื่อโรคทางกายเนี่ยท่านในแง่ของวิปัสสนาท่านจึงไม่ใส่ใจมากเพราะอะไรมันว่าบรได้ง่ายแต่ว่าโรคทางจิตวิญญาณโรคคอใจไม่ใช่โมายนีไม่ใช่โรคจิตนะโรคทางวิญญาณ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 ปลอดภัยจากทุกน่ะถ้าสมาธิฐีระดับพระอนาคามีปลอดภัยจากทุก 80%. ดเป์เซถ้าสมาธิฐีระดับพระอรหันต์ไปไงปลอดภัยจากทุกเลยร้อยเปอร์ซแล้วเราอยู่ในโลกนี้มีความรู้มีความสามารถแล้วยังจะทุกอยู่อีกหรอตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่น่าคิดมากนั้นก็ให้รู้ภูมิหลังเขาว่าความรู้ที่เขามีอยู่เป็นความรู้ของมิจฉาทิฐิ